2. สังขารทิเศตกันคําถามคําตอบจํานวนอาบัติในสังขารทิเศตกัน 1. สุกะวิสัติสิกขาบท161ถามภิกษุพยายามทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุพยายามทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. งจงใจพยายามน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัต ส, สังฆาทิเศษสงจงใจพยายามน้ำอสุจิไม่เคลื่อนต้องอาบัตถุละใจัย 3. ต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม